พระอนุบัญญัติภิกษุต้องอบัตไปาจิตตีเพราะฉันคณะโพชนะนอกสมัยสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่เป็นไข่สมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทําจีวร น, นี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้